ใหญ่อาใหญ่ครับพ่อเออนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เองไปบ้านตาเปียกสึ่หน่อยนะมามาพ่อก็ไปถามที่ว่าบ่อปลาของแกเนี่ยจะวิดเมื่อไหร่จะ ไ, ได้เตรียมเวลาไปช่วยได้ถูกต้องนะชิบว้ยพักนี้ไม่เคยว่างซะด้วยดิเดี๋ยวไปงานโน้นไปงานนี้ปลายปีเนี่ยมีงานใหญ่อรออยู่อีกแลหละฮะงานอะไรอ่ะก็งานโรงเรียนของน้องเองอสิโรงเรียนไอ้ยิ่งน่ะละพ่อเออพวกก็เห็นมีงานทุกปีนั่นแหละ ไม่เห็นมันจะสำคัญตรงไหนเลยนี่นานี่นไอเยี่ยมไอเยี่ยมไอเยี่ยมเองไม่รู้เรื่องก็หุบปากไปเลยนะจวก็โดนแผ่นกบาลจนได้หรอกเองเนี่ก็ไมนจริงนี่นาพ่อข้าสั่งให้เองเงียบฮะหรือเองอยากจะโดนดีอะลองดีกับข้าผมนี่ไม่กล้าหรอกครับพ่อไม่กล้าก็หุบปากไปซะไม่ได้ให้เองออกความคิดเห็นกินข้าวก่อไปอิ่มแล้วก็ไปบรพ์ลูกตาข้าข้าลำคาเองเต็มทนแล้วก็ได้พ่อไปละ เออเด็ดเด็จะลุกไปไหนอ่ะอ้าวก็พ่ อ, อไล่ผมนี่นาเจ๊ผมหน้าด้านอยู่ทนอยู่ได้ไงอ่ะไอ้เยี่ยมนี่เองอ๋อนี่เองยอกย้อนข้าเลยไอ้เยี่ยมผมเปล่านะพ่อถ้าเองคิดว่าเองปีก้าขาแข็งแล้วก็โ น, น้นประตูรั่วใสหัวไปได้เลยไอ้เยี่ยมพ่อ พ่อไรผมเหรออ้าวรู้เอ็งคิดว่าข้าเนี่ยกราบกลานให้เอ็งอยู่กับข้าหรือไงไอ้เยี่ยมคือว่าผมเอ็งนี่มันวอนซะแล้วนะไอ้เยี่ยมนะข้าหน้าใจดีกับพวกเอ็งมามากแล้วนะเว้ยถ้ากล้าลุกขึ้นมาต่อกอนกับข้าแล้วก็ฮะทางใครทางมันก็แล้วกันขอโทษครับพ่อเอ็งก็ปากดีแบบนี้แหละอีตอนพูดนะทําไมเอ็งไม่รู้จักคิดให้รอบคอบซะก่อนหรือว่าเอ็งคิดว่าข้าเป็นเพื่อนเล่นของเอง็งฮะ นึกอยากจะเห่าตอนไหนก็เห่าออกมาอย่างนั้นเลยไอ้เยี่ยมปล่าล่ะพ่อผมแค่ไม่ชอยพวกนั้นเท่านั้นเองอะพวกนั้นของเองมันมันใครอ่ะนะผ ม, มพูดแล้วล่ะพ่อเองนี่ไม่แน่จรินีนีว่าผมยอมรับผมพวกขี้ขลาดตาขาวแต่กับพ่อเท่านั้นนะผมยอมพ่อคนเดียวอะแต่คนอื่นพี่น้องเหรอมีทางซะล่ะผมมีวันยอมเด็ดขาดเลยเออให้เองเก่งจริงๆเหอะ อย่าทำตัวเป็นหมาเห่าไปตองแห้งเลยเดี๋ยวเองจะตายอย่างหมาข่างถนนสะก่อนไอ้เยี่ยมคือว่าผมเออนี่พรุ่งนี้เองไปหาตะเบี้ยแต่เช้าเลยนะเว้ยไอ้ใหญ่ครับพ่อเรียบร้อยแล้วเกิดตะเบียกแกจะให้ไปช่วยจับปลาเลยเดยวอ่ะพ่อว่าไงเมื่อไหร่ก็เมื่อนานแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยไปช่วยใครไม่ได้ทั้งนั้นล่ะเพราะงานของข้ารออยู่เพียบเลยอืมงั้นพี่ใหญ่ไปบอกตะเบียยคนเดียวแล้วกันอ๋อแน่นอน ข้าใช้ให้หญ่ไปคนเดียวนะพวกเองสี่พี่น้องไม่ต้องเสอเออตามไปด้วยยกกันไปเป็นขยงเดี๋ยวลูกสาวชา ว, ชาวบ้านแถวนั้นจะสาบส่งเอาสาบส่งขำจังเลยสาบส่งเอ็งไปโดนสาวบ้านไหนตบตบกระโหลกมาละวะฮะถึงได้หัวเลาะเหมือนไอ้บ้านเนี่ยฮะคือคือว่าผมอผม อ, อยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องให้าด่าหรือไงยมออคือปล่าครับพ่อ กับเปล่าเองก็กินข้าวไปซะปลาระนะ้าเน่ยยัดเข้าปากไปเลยฮนะ <c oughs> จะได้ไม่ต้องเหา่าน่าทำคานสิ้นดีขอโทษครับพ่อเออไอยศครับพ่อโอ้ยสะดุ้งเลย <c oughs> เองอะเองเป็นอะไรฮะเออเออปล่าครับพ่อครับพี่ยศย้อนเบาๆว่าเป็นคนครับว่างไงนะไ อ, อ, อยศเหมือนไอเ อ, อ็งสาร้เกลือ บอดล้วไอ้เย็นโอ๊ยพ่อพี่ยศดเก้อมือจะตบหัวผมครับอย่าทําน้องนายยอดนะถ้าเองน้องแกน้องแล้วก็โดนดีแน่เว้ยโอ้โหพ่อไม่เห็นหรือไงว่าไอ้เย็นน่ะมาตั้งใจมาหาเรื่องผมผมยังไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยนึงไอ้เย็นมันก็มาหาว่าผมจะย้อนพ่อซะแล้วเหมือนแบบนี้มันนักตกโขลกสุดที่ไม่ได้เหรอเองนึกว่าเองยังเป็นเด็กอมมืออยู่หรือไงไอ้ยศเองน่ะโตเป็นควายแล้วนะเว้ยน้องเองมันยังเด็กนัก เองจะไปถือสาหาความน้องได้ไงก็คือคือผมเอาละอะไรไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเองมันโตแล้วหัดรู้จักระงับอารมณ์ตัวเองสับ้างก็ผมพวกเองห้าพี่น้องนี่มันพอๆกันทั้งหมดเลยป้าพไม่ว่าแกล้งผมด้วยเออก็พวกเองอารมณ์ร้อนกันทุกคนหรือเปล่าล่ะบ้าเอล่าว่าไง หรือพวกเองจะเถียงว่าไม่จริงอ่ะคือคือเขาไม่ไม่เถียงหรอถ้าไม่อยากจะโทษผู้เองนักหลอกไม่จําเป็นก็ไม่อยากจะว่าไม่อยากจะด่าอะไรทั้งนั้นเห็นผู้เองโตโตกันแล้วนะไม่มีแม่คอยอบรมบ่มนิสัยข้าก็อดสงสารผู้เองไม่ได้ทําไม่จาเป็นจริงๆก็ไม่อยากจะพูดให้เกิดอารมณ์กันหรอกเว้ยมีแม่หรือไม่มีแม่บวกผมก็ลูกนอกอยู่แล้วพ่ออ๋ะอ๋ออ๋อไอยง เอ็งนี่ปากดีคนแล้วไหมล่ะก็รู้ไม่จริงครับพ่อพวกผมมันไม่แตกต่างไปจากลูกนอกสายหรอกหรือจะเรียกว่าหมาหัวเน่าก็ได้อะเอ็งอยากเก็บตูใช่ไหมไอยงคือผมทําไมข้าถามเอ็งว่าเอ็งอยากจะเก็บตัวนักหรือไม่อยากครับพ่อถ้าเอ็งไม่อยากเอ็งอะเอ็งก็คงไม่ต้องพราหมอย่างนี้อยู่ข้าพูดถูกไหมคือคืออะไรอือว่าผมเอ็งนี่มันแสบไม่เบาเหมือนกันนายยงนะเดี๋ยวเอะ เดี๋ยวเองหาที่สุกหัวนอนไม่ได้แน่ยงเอ้ยผมขอโทษก็ได้ฮะเมื่อไหรพวกเองถึงจะมีความคิดความอ่านดีๆสักทีนะดูอย่างไอ้ยิ่งน้องพวกเองสิเด็กตัวแค่เนี่ยมันยังมีความคิดความอ่านดีกว่าพวกเองเป็นไหนๆเหมือนผู้ใหญ่ไม่มีผิดเลยพวกเองน่ะควรจะเอาแบบอย่างมันนอาว้โอ้ย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 To บอกไปแล้ก็ไม่รู้บอกปลเธอจะรู้ปลกัตให้กไปแค่ไหนวาใจก็ไม่พอเก็บท้งฟ้าเก็บเขาเก็บลมหนาวเน Come. Mm -hmm. Dream, r e t t y g r l Confused, y a e こ e な o 愛されて But I understand your feelings. I didn't k n o at first what love w s b u a n m grateful for it. I o n t know what love is. No one can be more beautiful than you. I can't repay your s a n r i f i c e I love her. Go c r a z Thank mm -hmm. you. เ, เธอคงไม่ปล่อยให้ฉันต้องคอยอย่างนี้เธอคงมองสึ่งถึงใบตรีเธอคงมองสึ่งถึงความหวังดีที่มีเมืเ่อไหร เธอมองไม่สึกถึงสายตาเธอมองไม่สึกถึงความบูชาาสเพน้ำหยดลงินทุกวันหนมันยก่นแต่หัวใจออคงเธอทำสิ่งใดน สพะานสันเทือนเหมือนหัวใจฉันไม่หวั่นไหวว่าใครเขารักเขาร อ, อาสินลมงอมหายใจของฉันเมื่อไรเธอคงจะต้องได้รู้ ใครกันมีรักมีรักเพียงพอใครกันรอแล้วแล้วยังเฝ้าอรอเขารอเขารอ For what? เกิดในหัวใจรู้ชีวไม่ได้โหด ร, ร้ายวฉันโชคดีเท่าไรที่ใหใจอยู่มาถึงจนวันนี้รอคนีพร้อ ม, มใจวาดไวแสุดท้ายก็พบเธอเจอคนที่เป็นครงหนึ่งของชีวิต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 s h i w e that I t o u n เธอคนที่เป็นครั้งหนึ่งของชีวิตที่ขาได้เจอแล้วไม่อาจจะเปลี่ยนใจเหมือนได้รับควา ม, วามจากฟ้าส่งเธอลองมาให้หัวใจ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 เงลยว่ะข้าก็เหมือนกันเสงระเบิดด้วยเสงโอ่ตะโกนหาสวรรค์วิมาณอะไรของเอ็งว่าไอ้เยี่ยมฮะพ่อหาเรื่องโดนพ่อด่าแท้บีเยี่ยมนี่ยมาทอข้าจะไปรู้เหรอพ่อจะได้ยินอ่าพี่เยี่ยมตะโกนเสียงดังอย่างนั้นน่ะพ่อบารีก็แสดงว่าโหนวกแล้วเออครับผิดแต่ข้าเสงจริงจรนี่ว่ะเสงก็เสงว่ะล้วพ่ออยู่พูดไม่ได้พี่เยี่ยมก็รู้อ่ะเขาเป็นนหรอก อนี่ก็โดนพ่อเร่งงานจนได้หร อ, อยพ่อก็ด่าไปอยงั้นเองอะ่ะพี่เย่เห็นงั้นไงแต่ด่เราโตมันจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยเคยโดนพ่อตีหรือเปล่าเอก็ไม่เคยก็นั่นเลยเด็โดนตัแตะพ่อไม่เคยตีเหรอแต่ด่าไปอย่างนั้นเองวันวันพี่เยี่ยมจะบอกว่าไม่กลัวพ่อเพราะว่าพ่อไม่เอาจริงใช่ไหมเฮ้ยกำลังจะพูดด้วยอ้าวเราพี่เยี่ยมกลัวพ่อหรือเปล่ามีกลัวแต่ว่าเกรงใจเว้ยเฮ้ยเฮ้ว ยาแต่โมเลยเยี่ยมพวกเองไปดูหนังกลางแปลงกันไหมเน่ยไปเลไปใหญ่แล้วไปไปเตรียมตัวได้แล้วเอาจะให้เตรียมตัวอะไรกับพี่ใหญ่เอก็ไปหาชุดเก่งใส่กับชุดเก่งชุดหลอชุดเดียวกันแลยล่ะเออโอ้ผมก็มีชุดที่ใส่นี่แหละที่เป็นชุดเก่งที่สุดเฮ้ยชุดที่เองใส่มันจะไหวหรือวะเฮ้ยไม่มีสาวมองเองหน้าเลยแล้วข่าขอบอกไว้ก่อนแล้วว่าไอ้ยศถ้เองใส่ชุดหน้าไปดูหนังแล้วก็ นุนเดินทางๆทามันไกลๆข้าหน่อยนะเว้ยทําแกล้มมันรู้จักมันยิ่งดีใหญ่เลย เ, เยสียเกล็ดพี่ใหญ่ดูก็ดูสิโซโครกไว้กันคึ้นเดินเกาะกลุงกไปแล้วก็ไม่นมีสาวหน้าไหนหันมามองข้าแน่นอนอา้าวแล้วจะให้ผมทําไงเนี่ยไอโ ย, ยมเอ้ยเองเอาของให้อยศมันใส่กันแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเอาของผมเหรอพี่เอเอข้าเห็นเองว่อยู่ตั้หลายชุดดีว่าอืมเอ็งจะหัวไปคนเดียวทำไมวะ ใบให้น้องใสมั่งก็ได้ยศเอ็งตามมาเรื่จะแบ่งเสื้อเองชุดนึงก็แล้วกันขอชุดสีเขียวนะพี่ยอมล่ะชุดเขียวไม่ได้ข้าจะใส่ไปดูหนังกลางแปลงอ่ะอ้าวแล้วจะให้ใส่ชุดสีอะไรอ่ะสีไหนก็ได้อ่ะยกเว้นชุดเขียวชุดเดียวเท่านั้นอ่ะชุดนั้นอ่ะชุดเก่งของข้าใครก็ห้ามแตะต้องเว้ยโธ่ใบรุ่นเต็งเลยตู ไปดูหนังกลางแปลงทําไมทำไมต้องขออนุญาตพ่อด้วยไอ้เยี่ยมก็บอกให้ไปตอกเล้วเราโตโตกันแล้วเฮ้ย hey, ที่สําคัญนู้ว่าเรานอนอยู่บ้านกันคนหลังกับพ่อพ่อไปนอนหลังเดียวกับเมียน้อยส่วนพวกข้าหลังเมียหลวงแล้วไปกลัวพ่อทําไมเล่าแน่ใจนะไม่ต้องขอพ่อไอ้เยี่ยมไอ้เยี่ยมนี่เอ็งถามซ้าไปซ้ํามาเนี่ยเงปอดแหกหรืเปล่าวะเปล่าไม่ได้ปอดแหกสักหน่อยเธอไม่แหก ก็เยียบเยียบไว้พอเขาอาจจะเรียกใช้งานก็ได้เตอนครื่เนี่ยนะมันก็ไม่แน่นะเอ็งปลอแหงแล้วก็โน่นงั้นเอ็งอยู่ฝ้าบ้ากันแล้วกันนะเออะอ้าวถ้างั้นเอ็งก็ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นมีหน้าที่คือไปเที่ยวแล้วก็จีบสาวให้เพลินอารมณ์เท่านั้นก็พอแล้วไอ้เยี่ยมเอ๋ยอ้าวไอ้มไอ้ยดว่าไงพี่ใหญ่เองสองคนเราเสร็จหรือยังวะ แต่งตเสร็จแล้วพี่ใหญ่เสร็จแล้วก็รีบลงมาทีเลยจะได้ไปกันหนังฉายแล้วเหรอพี่ใหญ่เออดึกแล้วดีกว่านะ่าจะฉายแล้วนะอ่าม่หรอกพี่ใหญ่ยังไม่ฉายหรอกเชื่อฮะเองรู้ได้ไงยงอ่ารนะู้เจคาน่ะสิงนักดูหนังกลางแปลงเช่เหรืพี่ใหญ่เออแต่ละที่มันเหมือนกันนะว้ อ, เ อ, อนเชื่อฮะข้าบอกยังไม่ฉายก็มต้องไม่ฉายดิแหม่พี่นี่ อ, อข้าไม่เชื่ององเด็ดขาดเลยอยองบ้าก็ตามใจพี่ใหญ่แล้ เออข้าทําอะไรมันมั่นใจอยู่เสมอไอ้สองคนนั้นตกลงจะไปหรือเปล่าวะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยแล้วพี่ใหญ่แล้วยศอ่ะมันอยู่ไหนเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออไอ้ยศนี่ดูมันแท่ดีวะไอ้น้องเอ๋ยโอเคเดืนนี้ให้สุดที่สุดเด็ดแล้ววะเข้าใจบอเข้าใจแล้วพี่ใหญ่ไปวะลุยลุยมา